เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องกระจกวิเศษนักกบพ้นทะเลแห่งหนึ่งมีสองตายายอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ชายหาด ติดกัดทะเลบนเกาะนั้นทุกๆวันฝ่ายตาก็จะนำแหออกไปทอดจับปลามาเป็นอาหารประจำและวันหนึ่งเมื่อตาทอดแหลงไปในทะเลบังเอิญแหได้ลากกระจกเงาบานหนึ่งติดแหขึ้นมาด้วยในชีวิตตาไม่เคยเห็นกระจกเงาเลยเมื่อตามองลงไปที่กระจก ก็เห็นหน้าตาของตนเองอยู่ในนั้นมันช่างเบือนกับหน้าพ่อของเราจริงหนอคิดในใจว่านี่มันหน้าพ่อเราเองตาจึงเก็บกระจกนั้นไว้ในห้องนอนและกราบไหว้ทุกวันจนกระทั่งยายเกิดความสงสัยวันหนึ่ง เมาตาออกไปจากกระท่อมเพื่อไปทอดแผเช่นเคยยายก็รีบเข้าห้องไปค้นหาสิ่งที่ตนสงสยัยเมื่อไปพบกระจกเงาบานนั้นเมื่อมองไปที่กระจกเห็นภาพใบหน้าที่เหี่ยวย่นของตนอยู่ในนั้นก็รำพึงว่าโถเอ้ยตาหลงใครไม่หลงมนหลงอีแก่คนนี้นี่เอง ว่าแล้วก็ทุกกระจกนั้นแตกสลายไปทันทีเรื่องนี้สอนว่าหลงในสิ่งที่ไม่รู้แล้วคิดว่าตัวรู้ก็ยังอยู่ในวังวนของความไม่รู้